อก็สั่งลูกน้องสั่งเสนาปะสมัยก่อนมันเป็นสมัยโบราณใช่ไหมล่ะอสมัยโบราณเขาเรียกว่าเขาใช้ศัพท์ภาษาฝักกูมึงเหมือนกันแหละเอาก็สั่งลูกน้องว่าถ้ากูว่ายังไงให้สูว่าตามนั้นนะอก็จับบรลเพชรเเ้าบรลเพชรขึ้นมา่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 น่ากลัวเพราะเหตุใดเพราะความชั่วนั้นอีกสักวันหนึ่งมันจะต้องโผ่มันจะต้องผุดขึ้นมาจากนั้นเขาจะคุยเขียขึ้นมาแล้วเกิดจากนั้นก็เข้าคุกเข้าตารางไปได้เพราะะนั้นพวกเราทุกๆคนนะสรุปแล้วก็คือให้เชื่อกลัมเชื่อผลของกลัมกลัมคือการกระทำของพวกเราสิ่งที่มันไม่ดีย่าทำทำแต่สิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมเราให้ใช้สติใช้ปัญญา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 จิตหลักใจเข้าสู่ใจของตนเองให้เป็นคนมีเหตุผลจะคิดจะพูดจะทำต้องมีเหตุผลถ้าคนมีเหตุมีผลแล้วอยู่นัสถานที่ใดก็มีความสงบร่มเย็นเป็นสุขลึกๆถึงจะจนก็จนมีความสุขอย่างที่พระพุทธเจ้าพระหานสาวกท่านอยู่ในป่าดงพงไพ่ถ้าว่าท่านมีขึ้นมาอ้าวก็มีใช้ใจใช้สอยถ้าไม่มีขึ้นมาอา้าว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 จิตใจภาวนาก็ไปเกิดเป็นพรหมถ้าว่าเราภาวนาจนได้สาเร็จพระโสดาสกทาคานาคาอรหรันเข้าไปตามขั้นตอนของพวกเราแปลว่าพวกเราสเสาะแสวงหาคุณงามความดีสเสาะแสวงหาทรัพย์เข้าสู่จิตใจตามขั้นตอนแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ใส่ใจพวกเราไม่ได้สนใจพวกเราปล่อยประละเลยไม่เชื่อในคุณงามความดีออกจากชาตินี้ไปแล้วนะตกต่ําำ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 ชีวิตไม่เที่ยงแท้แนนอนเอะตูหนวดที่พวกพานาพวกเราไหว้พระกับไปแล้วคิวต่อไปไม่รู้ว่าเป็นใครอาจจะเป็นหลวงพ่อก็ได้เพราะนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทพวกเราให้สังสมคุณงามความดีสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเอาไว้ถึงจะตายก็นนี่แหละหลวงพ่อว่าตูหนวดคงไปดีเพราะเหตุไรผู้เท่ากขรักษาศีล ม, มาไหว้พระสวดมนต์